ที่ดินและบ้านเก่าแก่โบราณซึ่งเป็นมารดกตกทอดมาหลายชั่วอายุคนย่อมหมายถึงคนที่เคยอาศัยอยู่ในบ้านล้มหายตายจากไปหลายต่อหลายคนนะคะหากวิญญาณของคนที่ตายเป็นไปตามกฎแห่งกรรมคือตายแล้วก็ไปผุดไปเกิดในภพภูมิตามวิบากกรรมของตนก็แล้วกันไปไม่มีอะไรผิดปกติภายในบ้านหลังนั้น แต่ถ้าหากว่าวิญญาณของผู้ตายมีความผูกพันแล้วก็ยึดติดอยู่กับบ้านซึ่งเคยเป็นที่อยู่อาศัยอย่างแน่นเหนียววิญญาณ น, นั้นก็มักจะวนเวียนอยู่ในที่เดิมหากมีคนมาอยู่ใหม่หรือเปลี่ยนเจ้าของใหม่วิญญาณก็มักจะโกรธเกรี้ยวเพราะว่าหลงผิดคิดว่าผู้อื่นจะมายื้อแย่งที่ของตนไม่ยอมรับว่าการซื้อขายเปลี่ยนมือหรือเปลี่ยนเจ้าของเป็นเรื่องปกติของมนุษย์อย่างดื้อรั้นงมงายว่าสถานที่แห่งนั้นเป็นที่อยู่ของตน เหตุนี้นะคะบ้านหลังดังกล่าวจึงมีผีเฮี้ยนผีดุคอยหลอกล้อแล้วก็อลาวาดทาให้ผู้ที่มาอยู่อาศัยใหม่เกิดความหวาดสะดุงตกใจกลัวตามเจตนาของวิญ ญ, ญาณคือต้องการขับไล่ผู้ที่มาอยู่ใหม่ให้ออกไปดังนั้นผู้ที่ซื้อบ้านและที่ดินซึ่งเป็นสถานที่เก่าแก่โบราณจึงต้องหาผู้มีวิทยาคุณหรือพระสงฆ์มาทาพิธีถอนวิญญาณที่สิงสู่ออกไปหรือทําไม่ขับไล่ ถ่ายถอนก็ต้องจัดตั้งศาลเล็กๆนะคะแล้วก็อัญเชิญวิญญาณ น, นั้นมาสิงสถิตยอยู่ให้เป็นสัสดส่วนไม่ให้ก้าวไก่รบกวนซึ่งกันและกันค่ะบ้านเก่าแก่อีกหลังนึงนะคะซึ่งมีผีเฮี้ยนเอาเรื่องก็คือบ้านอันเป็นสมบัติของจอมพลสริท ธ, ธนรัชอยู่ที่ย่านสะพานควายค่ะ ประวัติความเป็นมาของบ้านหลังนี้นะคะเป็นที่ดินของญาติคนหนึ่งซึ่งจอมพลปอพิบูลสงครามนะคะแล้วก็ขายให้จอมพลสริ์ในราคาไม่แพงนักเมื่อปีพุทธศักราช2496ค่ะน อ, นอกจากที่ดินยังมีบ้านไม้เก่าๆติดมาด้วยหลังหนึ่งด้านหน้าบ้านก็จะมีศาลเจ้าผุพังอีกหลังหนึ่งปลูกสร้างไว้ด้วยที่ดินผืนนี้ได้กล่าวว่าเป็นสมบัติส่วนตัวชิ้นแรกของจอมพลสริก็ว่าได้ หลังจากซื้อที่ดินมาแล้วนะคะจอมพลสริ์ก็ให้รื้อบ้านไม้หลังดังกล่าวทิ้งไปแล้วก็ปลูกบ้านไม้หลังใหม่ขึ้นมาแทนค่ะจากนั้นก็ให้คนอื่นมาอยู่ดูแลบ้านแทนเนื่องจากว่าขณะนั้นจอมพลสริศพำนักอยู่ในกรมทหารแต่ว่าคนที่มาอยู่หาปกติสุขไม่เพราะว่าถูกผีหลอกจนอกสันขวัญก็ดเดเอดรอตลอดเวลา จอมพลสฤษดิ์ต้องให้ทหารคนสนิทไปเสาะแสวงหาอาจารย์ทางศยศาสตร์มาทำการรื้อถอนสันเจ้าออกไปแล้วก็ตั้งสันพระภูมิขึ้นมาแทนค่ะ ผีที่อารวาดก็เลยค่อยๆสาไปนั่นเองเมื่อปีพุทธศักราช2500นะคะจอมพลสริทธิ์ได้ทำการปฏิวัติค้นลมอำนาจของจอมพลปอบพี่บุญสงครามและยึดอำนาจตั้งรัฐบาลคณะปฏิวัติขึ้นปกครองประเทศจอมพลสริทธิ์ก็สั่งรื้อบ้านไม้ทิ้งแล้วให้ปลูกตึกขึ้นมาแทนพร้อมกันนั้นก็ได้ขยายที่ดินด้านหลังออกไปอีกรวมเป็นเนื้อที่ประมาณสิบกว่าไร่ สำหรับแบบแปลนตึกใหม่หลังนี้นะคะก็มีพันโทจิระศิละปะกระหนกค่ะหัวหน้ากองก่อสร้างกรมโยธาธิการทหารบกเป็นผู้ออกแบบแปลนบริษัทวิจิตก่อสร้างเป็นผู้ดําเนินการก่อสร้างซึ่งบริษัทออบริษัทวิจิตก่อสร้างนี้นะคะมีนายมงคลศรียานนท์น้องชายของพลตรีพลตํารวจเอกเผ่าศรียานนท์นะคะอดีตรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยและก็อธิบดีกรมตํารวจค่ะซึ่งเป็นคู่ปรับท่ าการเมืองกับจอมพลสริดนะคะ การก่อสร้างบ้านหรือว่าคารืหาดของจมพลสฤษดิ์นะคะขั้นตอนต่อมาก็ถูกมอบหมายให้ในายเฮียงหลิมแซ่ด่านแห่งบริษัทเทพดุสิทธิ์เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างโดยบริษัทวิจิตก่อสร้างเป็นผู้ส่งวัสดุการก่อสร้างให้ปรากฏว่าการก่อสร้างบ้านสะพานควายเป็นไปอย่างทุลักทุเลตลอดเวลาเนื่องจากมีนายช่างมากคนซึ่งนายช่างแต่ละคนต่างหลายความคิดค่ะดังนั้นการก่อสร้างจึงเป็นไปในลักษณะสร้างแล้วรือ้อ รื้อแล้วสร้างอยู่ตลอดเวลาประกอบกับจอมพลสริ์พิธีพิธันในการก่อสร้างเป็นพิเศษหากมีส่วนไหนไม่พอใจก็จะสั่งให้แก้ไขหรือเพิ่มเติมทันทีทำให้การทำงานยืดเยื้อยาวนานต่อไปเรื่อยๆต่อมามีนายช่างชาวฝรั่งเศสนะคะชื่อมองซีเออร์บลังชัวค่ะเข้ามาคุมงานก่อสร้างก็มีคำสั่งให้รื้อทิ้งแล้วก็สร้างขึ้นใหม่อีก การก่อสร้างบ้านสะพานควายจึงต้องใช้เวลาถึง6ปีด้วยกันนะคะจึงแล้วเสร็จสำหรับการตกแต่งภายในซึ่งแยกเป็นห้องห้องโดยให้มีบรรยากาศของแต่ละประเทศตลอดจนเฟอร์นิเจอร์และก็เครื่องประดับอันลาค่าที่บรรดา พ, พ่อค้านักธุรกิจที่อาศัยบา ร, รมีของจอม์นพลสริ์เป็นผู้สั่งทาให้ทั้งหมดค่ะ ประเดนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคะไม่ลงตัวสักทีหนึ่งซึ่งการก่อสร้างบ้านสะพานควายของจอมพลสฤษธิ์ที่ยืดเยื้อมีเหตุขัดข้องมาโดยตลอดน่าจะเกิดจากอาถรรพ์บางสิ่งบางอย่างภายในเขตบ้านคอยขัดขวางแล้วก็ดนบันดาลให้เกิดขึ้นประหนึ่งไม่ต้องการให้จอมพลสฤษธิ์เข้ามาอาศัยอยู่ณที่แห่งนี้เมื่อบ้านหลังเมื่คืนมาราคา10ล้านบาทเสร็จเรียบร้อยค่ะจอมพลสฤษธิ์และท่านผู้หญิงวิจิตราพร้อมกับบริวารก็เข้าไปพำนัก ขณะเดียวกันก็มีการต่อเติมขยายบ้านต่อไปอีกจึงเท่ากับว่าบ้านหลังนี้ไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์สักทีจนกระทั่งจอมพลสฤษดิ์ธนะรัฐถึงแก่อนิจกรรมและตามมาด้วยเรื่องอืดเฉาถึงการใช้เงินของรัฐไปในทางส่วนตัวกระทั่งมีการยึดทรัพย์ของจอมพลสฤษดิ์และบ้านหลังดังกล่าวนี้นะคะถูกทางการยึดทรัพย์รวมกับทรัพย์สินอื่นๆเพื่อชดใช้คืนให้แก่รัฐบาลด้วย ท่านผู้หญิงวิจิตรานะคะจึงได้ย้ายออกจากบ้านหลังนี้ค่ะแล้วก็ไปพักอยู่บ้านของนายสงวนจันทรส า, าขาผู้เป็นน้องชายของจอมพลสริศซึ่งอยู่ติดๆกับบ้านสะพานควาย วันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2508หลวงสิทธิ์ุิริศพาดนะคะได้ส่งเจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์3คนมาเฝ้าบ้านสะพานควายซึ่งขณะนั้นได้ถูกใส่กุญแจตีตราวไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีการตัดไฟฟ้าแล้วก็โทรศัพท์ภายในตึกใหญ่ทั้งหมดเพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อตแล้วก็ไหม้บ้านค่ะโดยเหลือไฟฟ้าบริเวณข้างรัว้วไว้ให้งแสงสว่างแค่ 2-3 ดวงค่ะ เจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์คนนี้ได้รับมอบหมายให้มาเฝ้าบ้านจอมพลสฤิ์โดยมีนายสุวรรณโรจนะพิรมนายเฉลอเพิ่มสมบูรณ์และนายบรรจงรอดพิรมทั้ง3คนใช้ห้องเล็กที่ประตูหลังเป็นที่พักหลับนอนเนื่องจากบริเวณตึกใหญ่ถูกปิดตายทั้งหมดโดยวันแรกนะคะที่เจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์คนเดินทางมาถึงบ้านสะพานควายของจอมพลสฤินะคะนายสงวนจันทร์รัาได้กล่าวเตือนคนทั้ง3คนนี้ว่า ควรจะจุดทูบเทียนบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางก่อนเพราะว่าบ้านนี้ผีดุมากทั้งสามคนได้ฟังแล้วก็ใจเสียไม่อยากอยู่แต่ว่าผู้บังคับบัญชาคือหลวงสิทธิธิดริศพาดนะคะบอกว่าไม่ต้องกลัวผีไม่มีในโลกทั้งสามจึงจําใจต้องอยู่และไม่ได้ทำพิธีบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางตามคำแนะนํานั้นเนื่องจากว่าไม่ได้เตรียมทูบเทียนมาด้วยค่ะ บ้านสะพานควายหลังจากจอมพลสริทธิ์ถึงแก่อานิจกรรมและต่อมามีเรื่องวุ่นวายถึงขั้นยึดทรัพย์กระทั่งบ้านหลังดังกล่าวก็พลอยถูกยึดไปด้วยทําให้ท่านผู้หญิงวิจิตราต้องย้ายออกไปพำนักที่อื่นบ่าวพร่บริวารที่เคยรับใช้ต่างอาแตกฉานนะคะสั้นเซนไปคนละทิศละทางเมื่อบ้านหลัง ม, มาถึงและตั้งอยู่บนเนื้อที่อันกว้างขวางปราศจากคนอยู่อาศัยจึงเงียบสงัดแล้วก็วังเวงน่ากลัวยิ่งเป็นเวลาตอนกลางคืนแล้วด้วยค่ะบ้าน ร้างซึ่งมีหมู่ไม้ครึ้มนะคะขึ้นรอบบ้านยิ่งเกลียวแล้วก็วังเวงหนักเข้าไปอีกและเพียงวันแรกนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์มาเฝ้าที่บ้านก็เจอดีเขาให้โดยในตอนค่ำของวันที่16สิงหาคมเวลาประมาณ2ทุ่มนะคะนายสุบันกับนายเฉลอชวนกันไปอาบน้ำที่ห้องน้ำคนรับใช้บริเวณเรือนพักด้านที่ติดถนนใหญ่ เวลามาอาบน้ำต้องเดินอ้อมผ่านหน้าตึกใหญ่เนื่องจากที่พักของทั้ง3ซึ่งอยู่ด้านหลังไม่มีห้องน้ำเมื่อทั้งสองอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยก็พากันกลับทางเดิมคือเดินผ่านหน้าตึกใหญ่นายสุวรรณก็มองเห็นผู้หญิงนะคะเดินออกจากประตูนหน้าตึกที่ซึ่งถูกปิดตายไปแล้วแม้ว่าเวลานั้นจะเป็นเวลากลางคืนแล้วก็บริเวณตัวตึกจะไม่มีไฟฟ้า แต่ว่าที่น่าประหลาดคือนายสุวรรณกลับเห็นผู้หญิงคนนั้นถนัดชัดเจนและก็รู้ว่าเป็นผู้หญิงหน้าตาดีด้วยนุ่งขาวห่มขาวแต่งตัวแบบคนสมัยเก่า ผู้หญิงคนดังกล่าวเดินมาหยุดอยู่ตรงพุ่มไม้ข้างบันไดแล้วก็จ้องมองมายังเจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์ทั้งสองนายสุวรรณขนลุกขาไม่คิดว่าอ่าแล้วก็คิดว่าไม่ชอบมาพากลเป็นแน่แต่ว่ายังมีสติแล้วก็ได้สะกิดให้นายชะลอหันไปดูพอนายชะลอหันไปมองเห็นร่างในชุดขาวเท่านั้นก็ร้องโวยวายสุดเสียงด้วยความตกใจว่าผีหลอกนะคะแล้วก็วิ่งหนีกระเจิงไปด้านหลังตึกปล่อยให้นายสุวรรณยืนตัวแข็งอยู่กับที่ แม้ว่านายชะลอจะร้องโวยวายแล้วก็เพ่นหนีไปแล้วแต่ว่าร่างของหญิงคนนั้นยังปรากฏอยู่และแสดงท่าทีดุดประสงค์ร้ายจ้องมองมาอย่างนายสุวรรณด้วยในตาวาวโรดน่ากลัวเป็นที่สุดนะคะพอดีนึกขึ้นมาได้ค่ะว่ามีผ้ายันนะคะ ของพระครูชุม่มพุทธโสโรค่ะอยู่ในกระเป๋าเสื้อนายสุวรรณก็เลยรีบหยิบขึ้นมาคลี่แล้วก็เอาผ้ามาคลุมหน้าก่อนจะเอาผ้ายันคลุมหน้าชำเรืองไปมองดูผู้หญิงคนนั้นเห็นทำท่าจะเอาสองมือแหกอกนายสุวรรณรีบปกผ้ายันปิดตาแล้วกัดฟันวิ่งเลิดเปิดเปิงผ่านหน้าผีไปอย่างไม่คิดชีวิตกระทั่งถึงที่พักด้านหลังนะคะพอถึงที่พักเพื่อนคือนายชะลอ นอนแผ่หายใจเขม็ ม, มวในตาเหมิดลอยถามอะไรพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องนายบรรจงรู้จากนายสวุวรรณว่าทั้งสองเพิ่งจะไปเจอผีแบบจังๆมาด้วยกันทั้งคู่ก็เลยพลอยหวาดเสียวกลัวผีไปอีกคนนึงค่ะในคืนนั้นเรียกว่า3มเกลือแทบจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยทีเดียวเพราะว่ากลัวผีหญิงสาวจะมาเยือนจนถึงห้องพัก จนเช้าวันรุ่งขึ้นนะคะนายชะลอถึงกับจับไข้นายสุวรรณกับนายบรรจงต้องพาไปส่งที่บ้านจากนั้นจึงไปรายงานเรื่องสยองขวัญที่เกิดขึ้นให้แก่นายเพชรแม้นสมุทรหัวหน้าแผนกวัาสาดุกรมธนารักนะคะซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาให้ทราบโดยละเอียดค่ะ เย็นวันนั้นนายสุวรรณกับนายบรรจงก็ต้องกลับไปเฝ้าบ้านที่สะพานควายของจอมพลสฤษดิตามหน้าที่อีกครั้งค่ะคราวนี้ทั้งสองก็เตรียมดอกไม้ธูปเทียนไปกราบไหว้บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางให้ทราบว่าพวกเขามาที่นี่เพราะมากระทําตามหน้าที่มิได้มีเจตนามาลบหลู่ล่วงเกินแต่อย่างใดดังนั้นขอให้เขาอยู่อย่างเป็นปกติสุขอย่าได้มีพูดผีปีศาจมาหลอกหลอนให้เกิดความหวาดกลัวถึงขั้นได้เจ็บไข้ได้ป่วยเลย นับตั้งแต่หลังจากบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางแล้วนายสุวรรณกับนายบรรจงก็ไม่เคยพบเห็นพูดผีปีศาจที่น่ากลัวอย่างหนึ่งอย่างใดอีก นอกจากจะไม่พบเห็นวิญญาณหรือปรากฏการขนหัวลุกอะไรแล้วนะคะนายสุวรรณยังเกือบได้รับโชคอย่างเหลือเชื่อนั่นคือนายสุวรรณได้ไปบนขอโชคลาภที่สารพระภูมิครั้นตกกลางคืนค่ะเกิดฝันไปว่าผู้หญิงสาวที่เคยพบเห็นนี่แหละมาเข้าฝันแล้วก็บอกว่าให้ไปซื้อสลากกินแบ่งงวดวันที่24สิงหาคมพศสองพนะคะโดยให้ซื้อเลข 3-4 แต่ว่าบังเอิญนายสุวรรณไม่มีเงินซื้อจึงไปบอกให้เพื่อนฝูงซื้อปรากฏว่าสลากกินแบ่งงวดนั้นออก เลขท้าย2ตัว3 4 ส, สี่จริงๆเพื่อนๆก็เลยพากันได้เงินท่วนหน้าก็จะอกหักเฉพาะนายสุวรรณนะคะเพราะว่าไม่มีเงินซื้อนั่นเอง เรื่องผีบ้านสะพานควายเป็นข่าวหนังสือพิมพ์ไทยในวันที่29สิงหาคมศกเดียวกันค่ะตอนเช้าวันนั้นท่านผู้หญิงวิจิตราและนายสงวนก็ได้ไปเยี่ยมนายสุวรรณกับนายบรรจงที่บ้านสะพานควายแล้วก็ถามถึงเรื่องถูกผีหลอกนายสุวรรณก็เล่าให้ฟังนะคะท่านผู้หญิงวิจิตราก็ยืนยันค่ะว่าที่บ้านสะพานควายแห่งนี้มีผีอยู่จริงเพราะว่าตัวท่านเองก็เคยพบมาแล้วนะคะโดยเฉพาะตรงบริเวณที่นายสุวรรณกับนายชะลอเห็นผี ่านผู้หญิงท่านก็เคยเห็นในลักษณะเดียวกันนอกจากตัวท่านแล้วยังมีคนในบ้านแล้วก็ทหารที่มาอารักขาก็เห็นเหมือนกันหมดท่านผู้หญิงยังบอกให้ทราบว่าตรงจุดที่มีผู้หญิงมาปรากฏเคยเป็นศาลเจ้าเก่าซึ่งถูกรื้อทิ้งไปท่านผู้หญิงวิจิตรากรุณาเล่าให้นายสุวรรณฟังถึงเรื่องผีภายในบ้านต่อนะคะว่าในบ้านนี้นอกจากจะมีผู้หญิงยังมีผู้ชายอีก ใครเอาเตียงผ้าใบาไปนอนตรงซุ้มประตูบ้านแล้วนอนหลับจะถูกผีผู้ชายกระชากจนตกเตียงทุกรายไปทำให้ไม่มีใครกล้าเอาเตียงผ้าใบาไปนอนเล่น ท่านผู้หญิงวิจิตราก็ยังเล่าอีกค่ะว่าหลังจากที่จอมพลสฤษดิ์ถึงแก่อณิจกรรมไปแล้วตัวท่านก็ยังพักอยู่ในบ้านสะพานควายโดยอยู่เฉพาะชั้นล่างส่วนชั้นบนปิดล็อกกุญแจไว้โดยท่านมักจะได้ยินเสียงคล้ายคนเดินลงส้นหนักๆเดินไปเดินมาบางครั้งก็มีเสียงพูดคุยกันหรือประตูหน้าต่างซึ่งปิดลงกรอนแน่นหนาก็มีเสียงปิดเปิดดังปึงปังบ่อยๆพอขึ้นไปดูก็ไม่มีใครอยู่ชั้นบนแต่ประตูหน้าต่างกลับเปิดเองได้และก็ปิด สำหรับนายสุวรรณเองก็ยอมรับค่ะว่าที่บ้านสะพานควายมีบางสิ่งบางอย่างที่ออกจะแปลกแล้วก็น่าขนลุกไม่น้อยโดยเขาเคยสังเกตในตอนเช้ามืดของทุกๆเชา้าจะได้ยินเสียงผู้ชายร้องครางฮือๆือดังออกมาจากตัวบ้านชั้นบนนะคะซึ่งล็อกกุญแจแล้วก็ใส่กรอนเอาไว้อย่างแน่นหนาะ จะว่าเป็นเสียงนกพิราบก็ไม่ใช่เพราะว่าตลอดย่านนั้นไม่มีนกพิราบแม้แต่ตัวเดียวซึ่งนายสุวรรณก็ยอมรับว่าเขากลัวผีในบ้านสะพานควายไม่น้อยแต่ว่าเป็นเพราะหน้าที่จึงจำใจต้องปฏิบัติงานต่อไปอาศัยว่ามีเพื่อนคือนายบรรจงและต่อมานายชลอซึ่งลาป่วยไปเจ็ดวันหายดีแล้วก็ได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกจึงพอทนเฝ้าบ้านสะพานควายต่อไปได้ คุณผู้ฟังคะเรื่องที่บ้านสะพานควายของจอมพลป อ, อขออภัยค่ะจอมพลสริธนรัตน์นี้นะคะน่าเชื่อเหลือเกินว่าเป็นพูดผีวิญญาณเก่าแก่ดั้งเดิมที่สิงสู่อยู่ในที่ดินผืนดังกล่าวมานานแสนนานแล้วเมื่อเปลี่ยนเจ้าของใหม่คือจอมพลสริษฐผู้มาขอซื้อและก็ครอบครองที่ดินวิญญาณดั้งเดิมคงเกิดความไม่พอใจจึงได้พยายามขัดขวางการก่อสร้างบ้านมีให้ลุล่วงไปอย่างสะดวกรวดเร็วเท่าที่ควรค่ะรวมทั้งมาปรากฏกายให้เห็นในบางวาระ วิญญาณประเภทนี้ถ้าผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านให้ความเคารพนับถือตามสมควรไม่ถึงกับล่วงละเมิดเหยียดหยามดูแคลนก็ไม่ได้ให้โทษภัยอะไรผีกับคนก็สามารถอยู่ร่วมกันได้โดยปกติสุขตามสมควรค่ะ